นานทีหลวงพ่อจะได้ลงมากรุงเทพได้มาพบคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออยู่ไกลก็ยังคิดถึงลูกหลานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ทางไหนอย่างที่ว่านั่นน่ะอยู่ในมุมไหนก็มีแต่เรื่องยุ่งยากถ้าไปดูตารางหรือว่าการเดินทางของหลวงพ่อแล้วก็ รู้สึกว่ามากพอสมควรแต่ถ้าว่าไปทุกงานที่เขาจัดทายาโยมนิมนก็คงจะไม่มีเวลาอยู่วัดบ้างนะแต่ในหลวงพ่อก็แบ่งนแบ่งภาคไปบ้างอยู่บ้างถ้าว่างานไหนถ้ามีครูบาอาจารย์มากคิดว่าครูบาอาจารย์จะไปมากหลวงพ่อก็จะไม่ไปงานนั้นแต่ไม่ใช่แอนตี้อะไรนะ เพียงแต่บอกครูบาอาจารย์ไปแล้วละ่ะถ้าเราไปมันก็ขาดทางนี้เหมือนกันเพราะดันั้นก็ให้ครูบาอาจารย์ไปเฉพะไปมากแล้วหลวงพ่อก็ทําหน้าที่อย่างอื่นแต่ถ้าว่างานไหนครูบาอาจารย์ไปไม่มากหลวงพ่อก็จะเอืองานนี้ทุกคนจะไปแต่วันนี้ที่หลวงพ่อลงมากรุงเทพก็คือมาเนื่องในงานของ องค์มนตรีดเรเาวในที่นีกุฏิลังนี้ก็ท่านเป็นประธานในการก่อสร้างจะลงไปเราก็ไปอ่านดูก็ได้นะท่านทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาแก่ประเทศชาติทีนี้หลวงพ่อเองก็รู้จักกับท่านมาตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยพระหนุม่มสมัยอยู่บ้านตาตั้งแต่ปี2512นะ ลูกหลานบางคนก็คงจะยังไม่เกิดอีกต่างหากแต่หลวงพ่อได้พบท่านองค์ข้าพันตรีที่วัดป่าบรรตาศท่านเข้าไปศึกษาธรรมะกับองค์หลวงตาท่านพาครอบครัวของท่านคุณหญิงไขสีคุณชัยที่เป็นเด็กๆแหลวงพ่อก็เป็นพระเพิ่งอายุพรรษาได้สี่พรรษาเองเดี๋ยวนี้สี่สิบห้าพรรษา ปีนี้หลวงพ่อ4 5พันษาแล้วลูกหลานอยากจะดูเออสมัยนั้น 4,000 สาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปีนี้เท่าไหร่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้ 45,000 สาปีนี้ น, น, นี่แหละคือพบกับท่านมาตั้งแต่เป็นพระพระน้อยพระหนุ่มเคารพจากท่านมาโดยตลอดคือท่านเป็นคนดีช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ทั้งธรรมะทั้งวัดราศาสนา ทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์และท่านได้ช่วยโดยสม่าเสมออย่างพวกเราได้ไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านองค์ขมนตีเป็นประธานฝ่ายครวาดในสมัยนั้นแล้วก็เจดีย์ของหลวงปู่ฟัน่นท่านดอกเตอร์ก็เป็นประธานฝ่ายครวาดสร้างเจดีย์หลวงปู่ฟัน่น ท่านคงรู้จักครูบาอาจารย์มากในะทางภาคอีสานแต่มาคราวนี้โยมมารดาของท่านได้ละสังขารไปมรณภาพเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาโยมมันดาของท่านอายุร้อยหนึ่งนปะีอายุมากอายุถึงร้อยหนึ่งปีแต่บัดนี้จะได้ไปพระราชทานเพลิงศพวันที่สาม พระรานเพลิงศพวันที่สมนี่แหละแต่ว่าคณะทถาน ญ, ญาติโยมผู้ใดจะมาร่วมมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับท่านก็ได้นะีมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับหลวงพ่อว่างั้นะอะหลวงพ่อนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณสาหรับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เดยบอกกล่าวนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายที่ท่านเคยไปกราบคาวะหลวงปูข่ขาวลูกศิษย์หลวงปูข่ขาวมีกี่องค์ หลวงพ่อก็ได้บอกไปเออลูกศิษย์หลวงปู่ของเราเนะ้อลูกหลานหลวงปูนะ่เน้อแม่ขององค์ขมลตีทศเตอร์ท่านมรณาภาพเนะ้อท่านผู้ใดจะลงไปเป็นเจ้าภาพไปเพื่อเป็นเกียรติทางฝ่ายพระสงฆ์เราขอในมรณนะแต่ก็ลุงลูกศิษย์หลวงปู่คําดีหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวกรูบาอจารย์ได้หลายองค์หลวงปู่ชา หลวงพ่อก็ได้บอกไปคิดว่าวันที่สามนี่นก็คงจะมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาในงานของคุณแม่ของท่าน พ, พ่อสมควรอยู่กับมังที่แต่ก็อย่างว่าเหมือนกันบางองค์ก็ติดธุระพระก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันทุกวันนี้ธุระภาระของท่านกิจที่มนของท่านบางทีมันกระชนกันก็มีผู้ที่ท่านจะพอที่จะมาได้หลวงพ่อคิดว่า ท่านคงจะมาวันที่สามตอนบ่ายสี่โมงแล้วคงจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพของขุญย่าขุญย่าอายุร้อยหนึ่งปีมนนนะแต่ที้มาพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าภาชนะถึงแก่เล็กหรือใหญ่ก็มีอันแตกในที่สุดก็คือภาชนะเนี่ย ถึงจะสร้างมาในช่วงใดก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็คงจะแตกสลายในที่สุดอไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้ไม่มีใครที่จะยุยยุเป็นร้อยเป็นพันปี อย่างมากก็ร้อยปีอย่างคุณย่าเนี่ยก็หมดสภาพแล้วนะอายุเก้าสิบปีนี่แปลว่าร่างกายของคนเราเนี่หมดสภาพคลๆอะไรได้พยุงแล้วงั้นเถอะพยุงซ้ายพยุงขวาแล้วอายุเก้าสิบปีเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็ได้ขนาดนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลเก่าเกือ้อกูลนุนในหลักของพระพุทธศาสนาที่นี่ พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นคว้าศึกษาหรือท่านหนีออกไปบวชนะี่ยออกไปจากเวียงวังท่านคิดอย่างไรท่านคิดอย่างไรจึงท่านจึงหนีไปบวชท่านก็เห็นความแก่เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายของมนุษย์ชาติเกิดมาเท่าไหร่ตายทั้งหมดพระพระองค์เอจะทํำยังไงจึงจะค้นคว้าศึกษาที่จะไม่ให้ตาย น, ะนี่แหละที่พระพุทธเจ้าหนีไปบวชอ๋อ ไปอยู่ในป่าดงพงไพรเพราะนั้นพระองค์จึงได้ไปค้นคว้าศึกษา อ, อยู่เป็นเวลาทั้ง6ปีในยุคสมัยนั้นจนพระองค์รู้แนวทางหรือว่ารู้หนทางหนทางคือมรค8ปนดะมรคคือหนทางคือ8ปอย่างสมาธิฐิสมาสังกปูจนถึงสมาสมาสมาธิเป็นสุดท้าย อันแรกคือขนทางที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏจักสงสารแต่ร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอบอกว่าในร่างกายของพวกเราจิตนั่งอยู่เดี๋ยวเนี้หรือในอยู่ในจิตสถานที่ใดก็าตามร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สองอยู่ในตัวของเราเนี่มีอยู่สองอย่างคือรูปประธรรมและนามธรรม รูปธรรมคือร่างกายตั้งแต่แข่งขาตีมืออวัยวะทุกส่วนคืออันนี้เป็น ร, ปปรูปธรรมส่วนนามธรรมนันคือตัวผู้รู้คือความนึกคิดหรือตัวใจนะ่มันอยู่ด้วยกันกับกับร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าตัวนึกคิดตัวนามธรรมสำคัญกว่าตัวนี้นะจะขับเคลื่อนร่างกายให้ไปที่ไหนก็ได้ถ้าจะให คนคนนั้นโง่หรือฉลาดตัวนามธรรมตัวนั้นล่ะตัวที่มองไม่เห็นน่นตัวนั้นจะต้องเป็นตัวเรียนรู้ตัวศึกษาจึงจะเฉลียวฉลาดที่พระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษาพระองค์บอกว่าที่เราได้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะใจของใจของพระองค์เป็นพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายเป็นผลพลอยได้ว่างั้นแต่เหมือนกับ เศรษฐีนั่งรถอย่างนั้นน่ะถ้าว่ารถให้คนอื่นไปไปนั่งรถก็นั่งก็เป็นของคนอื่นแต่พอเศรษฐีไปนั่งรถเขาก็ว่ารถเศรษฐีรถเศรษฐีบ้านเศรษฐีที่ดินเศรษฐีที่นาเศรษฐีภรรยาเศรษฐีลูกเศรษฐีอันนี้ก็เหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธญาณ ท่านได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วร่างกายของท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพุทธบริษัทสีก่ก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามโนปุพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจดวงนี่นะคือนามธรรมดูนี่เนะี่ฝึกฝนให้ฉลาดก็ได้ให้โง่ก็ได้ ให้เห็นแก่ตัวก็ได้ให้โมโหโกธาให้แก่ใครก็ได้ให้เฉลียวฉลาดให้มีเมตตาต่อคู่คนทั้งหลายก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะฝึกใจควรจะฝึกนำมรรมตัวนี้ให้ฉลาดเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจดวงนี้แต่ถ้าจิตใจดวงนี้เฉลียวฉลาดมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วแตจิตใจดวงนั้น จะเจริญงอกเงงงามไพ่บูนในเมื่อใจมีธรรมอยู่ในใจใจเป็นผู้มีเหตุผลการพูดออกมาก็มีเหตุผลการกระทําออกไปก็มีเหตุผลการพูดออกไปก็มีเหตุผลแต่ถ้าว่าใจของเราผู้รู้หรือนํามาธรรมของเราเป็นผู้ไม่มีเหตุผลเป็นผู้มีบาปคิดไปในทางชั่วคิดไปในทางชั่วคิดไปในทางอากุศลคิด อยากจะฆ่าอยากจะป่นอยากจะทุบอยากจะตีอยากจะคดอยากจะโกง อ, อยากจะกินเหล้าเมายาอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อเราคิดไปในทางที่ไม่ดีการกระทาออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้รับการอบรมไปในทางที่ดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึนบอใจสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการอบรมเมื่ออบรมดีแล้วใจดวงนี้แหละนามธรรมดวงนี้แหละ ตัวผู้รู้ดวงนี่แหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรมก็ไปได้แต่ถ้าผ่านใจของเราไม่ดีความไม่ดีตัวนั้นแหละจะพาตกนรกหมกไหมไปสู่ความหายยนะคือความทุกข์ตลอดไปเพราะนั่นพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โครนต้นโพท่านได้ตัดสรู้ในวันนั้นพระพุทธองค์จึงบอกกล่าววางแผนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ท่านบอกว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอถ้าจะเปรียบเทียบไปชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถนํา ม, มาทําคือจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถมันคนละอย่างกันคนละอันกันแต่ก็อาศัยกันอยู่แต่คนขับรถสําคัญกว่ารถรถเนี่ยเมื่อคนขับให้ไปที่ไหนมันก็ไปได้ไปตามถนนหนทาง เว้นเสียแต่เหลือพิสัยของรถมันก็มีอีกเหมือนกันอเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมทุกทกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเลี้ยงอาหารดีขนาดไหนผมผ้าอย่างดีให้ขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเออ แกเจ็บตายในที่สุดหน้างกายของเรานี่จบเพียงแถวนั้นถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็มีความตายในที่สุดแต่คุณงามความดีศีลธรรมอยู่ในจิตใจของเรานั้นนั่นแหละดวงวิญญาณใจดวงนั้นอ่ะไม่ตายออกจากร่างนี่แล้วถ้าเรามีบุญมีบุญคือเราได้สังสมบุญกุศลไว้นะเหมือนกับเรามีรถพอเรามีรถขึ้นมาแล้ว เราก็ไป ส, สวัสดิหาบุญหากุศลอคล้ายๆว่าหาทุนต่อเมื่อเราได้ทุนแล้วก็เราก็ซื้อรถคันใหม่อีกได้แต่บางคนพอได้รถมาแล้วเนะี่ยมีแต่เที่ยวหลงลืมใชาไปใต้ไปเหนือจำมะเลเทเมากินเหล้าเมายาทาความช่วยเสียหายไปหมดพอรถคันนั้นพังรถคันนั้นหมดสภาพก็ไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะซื้อรถคันใหม่อีกเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่ได้สนใจ ในการโสแสวงหาทรัพย์เพราะฉะนั้นเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนานะได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่า น, นบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะที่เราได้ไปค้นคนว้าศึกษาดูแล้วที่โคลนต้นโพลปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ผู้ที่จะพาไปเกิดนั่นคือวิญญาณคือใจเนี่ยคือนามะธรรมเนี่ยนะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั่นควรจะหาควรจะสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่อจิตแจงเรามีบุญมีกุศลแล้วจะไปเกิดออกจากชาตินี้ไปก็มีแต่ความสุขความเจริญแต่หาว่าใจของเราไม่มีบุญใจของเราเป็นอกุศลใจของเราไม่มีบุญ เกิดพบหน้าชาติหน้าก่อนมีแต่ความทุกข์ความหายนะความไม่พึงปรานาจะเกิดขึ้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมนุษย์เกิดมาทำไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งเป็นป่าใบเสียจิตทำไมเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะพระเจ้าตรัว่ามนุษย์ทำกรรมมาไม่เหมือนกันทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เหมือนกันถ้าว่าใครทากรรมชั่ว กรรมช่วน่ก็จะให้จะเป็นวิบากเป็นวิบากกรรมมาช่วยเนี่ยหูหลวกตาบอดม่บ้าใบเสียจิตเนี่ยโง่ไม่ฉลาดนะแต่ถ้ า, าผู้ใดทำคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยจะพาพวกเราไปสู่สุขคตเิเกิดพบนายชานางอุดมสมบูรณ์เงินคำทรัพสมบัติก็หาได้ง่ายยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไลมาเทมาเพราะเาหตุไรเพราะว่าเราได้สร้างบุญไว้แล้วนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจดหายาโยมทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าอยู่ในความประมาทไม่ได้ทิศถึงคุณงามความดีไม่ได้สั่งบุญสั่งสมบุญกุศลแล้วเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรเราจะพึ่งพาอาศัยใครนอกจากบุญแนละ้วไม่มีอันไหนที่จะพึ่งนะพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันนะทางว่าไม่มีบุญแนละ้วจะพึ่งอะไรเมื่อใจจะขาดเข้ามาแล้ว เราจะพึ่งอะไรเมื่อเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลถ้าเราสั่งสมบุญกุศลพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไหวและค้านี้่ข้าจะต้องละจากโลกนี้ไปละค้านี่ก็น้อมจิตลำเลึกถึงบุญกุศลเออบุญกุศลเนอะผู้ฆ่าได้ทามากน้อยให้มาช่วยข้าไปเจ้านเนอร์ข้าไปเจ้าจะได้ลาโลกละค้านี่แอบหลับตาพิ้วเลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ายังไงก็ไม่รอดอยู่แล้ว มนุษย์เกิดมาแล้วจะไม่ตายได้เหรอฮะมันตายทุกคนเราถึงข่าวเราเราก็ต้องไปแต่ไปด้วยจิตด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลต่างกานาันนะอณวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่ศรัทธาญาติโยมที่ได้มาพบมาเห็นอนานหลวงพ่อจะได้ลงมากรุงเทพอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นภาระธุระ อ, อยู่ทางไหนมันก็มีอยู่ทางนั่นแหละว่งางันะเถอะขาวนี้ก็ได้ลงมา ในงานขอ ง, ของคุณย่าคุณแม่ของท่านองค์ค ม, มนตรีเพื่อเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะได้ลาสัทาญาติโจมกับที่เก่าแต่ยังไม่แน่ว่าจะได้กับวันไหนแต่ที่ประชุมเพลิงยิงกินก็คงเป็นวันที่วันที่สอาจจะ ก, กลับวันที่4หรือที่5้านั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ไปรับพรนัดโมทนาให้พอ